ขอความเจริญในธรรมจุ ม, มีแดชท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโติยานได้ํำเสนอวิริยบารมีในลักษณะต่างๆสืบต่อกันมาโดยลำดับในช่วงนี้กำลังประรบถึงลักษณะของวิริยบารมีที่พระโบราณอาจารย์ท่านจำแนงแสดงไว้มาถึงข้อที่ว่า อ น, นิกตะฉันทตาคือการไม่ทอดทิ้งความพอใจในสิ่งเหล่านั้นข้อนี้ก็คือกระบวนการของการใช้ความเพียรพยายามเพื่อบรรลุเ ป, ป้าหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เคยกล่าวมาแล้วว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการมองเหตุ ที่จะให้เกิดผลคือหมายความว่าเรามีภาระหน้าที่ในการสร้างเหตุแต่เหตุมันก็มีสองเห ต, ตุเหตุดีแล้วก็เหตุไปดีในเหตุไม่ดีนั้นท่านก็สอนให้ใช้ความพยายามในการลดละเหตุดีนั้นก็สอนให้ใช้ความพยายามในการเจริญคือเพิ่มพูนกระทาให้มากยิ่งขึ้น แต่ทั้งหมดมก็เป็นเหตุตั้งกว่าจะเกิดผลเนี่ยเราจะต้องมีความพอใจตามสมควรแก่ฐานะของสิ่งเหล่านั้นส่วนไม่ดีก็พอใจในการลดละส่วนดีก็พอใจในการกระทาบำเพ็ญและสับใดที่ยังไม่บรรลุป้าหมายตามที่ตนต้องการเอาไว้ก็จะไม่เสื่อมความพอใจตรงนั้นหมายความ หมายความว่าคงรักษาความพอใจในการที่จะบำเพ็ญในการที่จะเจริญกุศลทั้งหลายเกินว่ากับตามความจริงเราจะสปักใจจะเจริญกุศลและทำข้อใดก็ตามมันก็ต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามด้วยกันทั้งนั้นแต่ตามปกติเมื่อกล่าวโดยสรุปเนี่ยถ้าผู้กระสาทุชนทั่วไป ท่านก็จะใช้คำว่าทานศีลภาวนาแต่ถ้าพูดกับนักบวชก็จะใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาแต่จะเรียกชื่อยังไงก็ตามแม้ทั้งกล่าวทกล่าวถึงธรรมะข้ออื่นๆคราวนี้เราอาจจะยกตัวอย่างธรรมะชุดอื่นเช่นว่าการเจริญพรหมหารทั้งสี่ประการ คือเมตตากรุณามติตาเบกขาระเห็นว่าในขณะที่ธรรมะทั้งสี่ประการนี้เพิ่มพูนขึ้นอยู่นั่นเองสถานะของเขาก็เริ่มปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่ทรงกันข้ามกับเขาก็จะค่อยๆจางคลายบรรเทาลงไปโดยลำดับอย่างที่บอกไว้แล้วว่าในภาคสนามจริงๆ กุศลและธรรมทั้งหลายนั้นจะทำหน้าที่ละกิเลส ท, ที่ทรงกันข้ามกับตนเป็นตัวหลักและละกิเลส ท, ที่เกี่ยวเนื่องกับกิเลสประเภทที่ทรงกันข้ามกับตนเองเป็นตัวเสริมเข้ามาซึ่งก็ไม่หมายความว่าไม่ได้ลากิเลสเฉพาะคนใดคนหนึ่งเพียงแต่ว่าข้อที่ทรงกันข้ามกับตนนั้นจะลาได้มากกว่าส่วนที่ ใกล้เคียงก็จะละได้น้อยกว่าก็ดูแ ล, แล้วทํานองคล้ายๆกระโดจุดเฉียนขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งเราเจ็นว่าแสงสว่างที่ใกล้ดวงเฉียนมันจะมากกว่าแต่พอระยะห่างออกไปแสงสว่างก็จะน้อยลงแต่คงเป็นแสงสว่างอยู่เด็่ก็หมายความว่าขาจัดความมืดได้ระดับหนึ่ง การเกิดเครื่องมันธรรมะภายในใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าเราปลูกฝังความพอใจในพรหมวิหารธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจของผู้ใหญ่หรือผู้ที่เป็นพรหมเราก็จะเริญเมตตาเมตตาจิตนี้จะเป็นฐานพอจะเริอนเมตตานั้นเมตตาจะทำหน้าที่ขจัดความพยาบาททึ่โุกันข้ามกับตน แต่ในขณะเดียวกันลักษณะความรู้สึกนึกคิดของคนเนี่ยประเภทที่เราเรียกว่ากามราคะคือจิตที่กำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ถ้าเป็นคนแล้วจะมีลักษณะทนุถนอมประกบประงมอย่างดีเหมือนกันบางทีก็แยกไม่ออกว่าเป็นเมตตาหรือเป็นกามราคะ แต่ว่าคนที่ปฏิบั t นั้นจะรู้ชัดด้วยตัวเองว่า น, นี่คือความรู้สึกเป็นเมตตาหรือเป็นการมาราคะเพราะถ้าเป็นการมาราคะก็มุ่งเาโอโอใจเพื่อให้ก็ตอบสนองความต้องการของตนแต่ถ้าเป็นเมตตานั้นจะมุ่งอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาคนเหล่านั้นให้มีความสุขมีความเจริญจเจริญในสิ่งที่ ตนปรารถนาพอใจแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นได้อย่างนั้นแล้วเราก็พอใจเราก็ดีใจนั้นแสดงเห็นว่าตัวผนมันจะต่างกันชัดเจนจึงในลักษณะที่เกี่ยวกับข้องกับการมาราคานั้นถ้าหากว่าเขามีตอบสนองมันก็เพิ่มการมาราคามากกินขึ้นแต่ถ้าไม่ตอบสนองก็จะเกิดโทสะแล้วก็อาจจะลงมือประทุศรากันก็ได้ เพราะไมตาข้อเดียวมันจึงไปกระจัดได้ทั้งโทสะทั้งการมาราคขับทั้งความรักระหว่างเพศและทั้งความรักแม่ในฐานะที่เป็นครอบเป็นครัวเพื่อยังมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันชั้นคู่ครองไมตาจะทำหน้าที่สลายได้ แต่แม้แต่ว่าอยู่กันในฐานะที่เป็นคู่ครองแต่ถ้าพลังของเมตตาเขามีกำลังสูงเนี่ยมันจะมีการประณีประนอมมีการให้อภัยมีการอดทนไม่ถือสาความให้ความสำคัญแก่ความสวยงามของรูปร่างกายมากเกินไปแต่จะมองไปที่คุณค่าของจิตซึ่งมีเมตตาเป็นเรือนใจ แต่ก็มงคนเหล่านั้นด้วยความเป็นมิตรพอเขาประสบปัญหาขึ้นมาใจก็ปรับไปอยู่ที่กรุณาอาจจะช่วยเหลือขวนขวายด้วยกายก็ตามหรือวาจา ก, ก็ตามหรือแม่จะไปคิดด้วยใจก็ตามต้องแต่ไหนหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วถ้าเขาหลุดพ้นเราก็เกิดมุทิตาหรือเฉลิมยิน ด, ดีแต่บางครั้งบาคราวมันก็ เป็นเรื่องสุดวิสัยคือไม่สามารถที่จะคร่จัดได้เขุดพนจากความทุกขอนั้นได้ก็สามารถทําใจเป็นกลางคือวางใจเป็นกลางก็นึกถึงแง่ของกฎแห่งกรรมบางคนเราั้นมีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เคยทำกรรมะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคือในกระบวนกรรมเนี่ยถ้าเราจับประเด็นให้ได้นะครับเราจะเข้าใจเราจะแยกการกระทํากับผลของการกระทําได้หรือ โ, โดยอย่างยะโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผลที่คนอื่นก็จะยกย่องนับถือเราบางกรได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เป็นการประชุมปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็มีการอภิปรายการซักถามมีประเด็นที่น่าศึกษาคือท่านผู้ใหญ่ที่ตอบคำถามเนี่ยท่านตอบดีคือปัญญาท่านผู้ว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนด้อยคือไม่มีโอกาสเป็นคุณหญิงไม่มีโอกาสมีรับสายสภายอย่างพวกปัญญาพวกแม่ทัพภาคแล้วก็ท่านที่เป็นวิทยากรท่านอธิบายว่า มาก็เป็นเรื่องของบุญกรรมที่คนกระทำไว้ไม่เหมือนกันเพราะหน้าที่ของเราก็คือพยายามทำความดีไปแต่การที่เขาจะให้เรียนตาจะให้ตาแหน่งเป็นคุณยญิงมีสายสะพายหรือไม่นั้นก็ต้องถือว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่ในเรื่องนี้ถ้าเรามองในแง่สังคมเราก็เห็นได้นะะว่าแม้ทัพภาคเนี่ย มันครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดครอบครายในภารกิจมันก็กว้างขวางกว่าแล้วก็ที่สำคัญย่างยิ่งก็คือเป็นสายงานที่สืบเนื่องมาแต่โบราณากาลทัพในกองไปรถทัพจะสึกประสบความสาเร็จมาได้รับการยกย่องแต่งตั้งปัญญาก็ขึ้นตามไปเพราะในสมัยโบราณเนะี่ยจึงคิด ที่ท่านบอกว่าายงามด้วยความรู้ดูเบางามเพราะน้ําเสียงหญิงสวยด้วยคู่เขียงสัตว์ของเลี้ยงงามพระพี่พระจันทร์นั้นแต่งพฝ้างามสง่าประาราชริบัญพิชิตทำปวงมีถือกัญตี ง, งามพันธารายตัวนี้เราเห็นชัดเจนนะว่าหญิงสวยด้วยคู่เขีย ง, งหมายความว่าคู่ครองเนี่ยจะเป็นตัวดึงขึ้นไปแต่ว่าประโยคที่น่าสนใจก็คือท่าน บอกว่าให้เราทำงานเต็มตามสติกาลังและส่วนจะได้หรือไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ท่านจะพิจารณาเพียงแต่ว่าเราทุ่มเทลงไปในการทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็แล้วกันอั น, นั่นคือหลักการคิดที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าในกฎเกณฑ์ของการกระทาเช่นสมมติว่าเราปลูกพืช เราก็คงทําได้แค่ปลูกพืชดูแลเอาใจใส่รดน้ําใส่ปุ๋ยอาจจะพรวนดินให้บ้างในบางโอกาสแต่พืชจะออกโขออกดอกเมื่อไร่ออกผลเมื่อไร่สุกเมื่อไร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของพืชเราทุมเตในขั้นตอนก็เราให้ดีก็แล้วกันเความเพียนพยายามทุกเรื่องเนี่ยภารกิจของเราก็คือทําความเพียรในกรอบของเรา แต่ไม่ใช่ไปเร่งที่ผลเรามีหน้าที่เร่งที่เหตุนะหมายความว่าถ้าเหตุก็สมบูรณ์ผลก็เกิดขึ้นแต่ถ้าผลยังไม่ถึงข่าวเหตุยังไม่ถึงข่าวที่จะเกิดผลมันก็ไม่เกิดเพหลักของบา ร, รมีจึงเป็นการพูดถึงเหตุให้เราสังเกตว่าจะพูดถึงเหตุแล้วคนก็ต้องลงลงมือปฏิบัติเหตุ หรือไม่เหตุเพิ่มพูนขึ้นผลก็ใกล้เข้ามาพะเหตุสมบูรณ์ผลก็เกิดขึ้นแต่ว่าวิริยะบา ร, รมีที่ทรงอธิบายในชาดกเป็นการกล่าวถึงตัวตนบุคคลของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบา ร, รมีในชาตินั้นๆเนี่ยเป็นวิริยะบา ร, รมีที่กระจายคือการใช้วิริยะที่กระจายไปทุกๆเรื่อง เพราะว่าการตามความจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความเพียรมันก็ไม่ขยับขึ้นยึดน่ยเพราะความเพียรจึงเป็นพลังขับเคลื่อนมุ่งไปข้างหน้าและมาจจะเจอประศักดอันตรายขวากน้ํำลุมบอ่ออะไรอีกเป็นนั้นมากแต่บุคคลจะต้องไม่ทอดทิ้งทอธุระหน้าที่หรือว่าทอดความพอใจทอดทิ้งความพอใจ หรือคลายความพอใจบวหน่ายโอ๊ยทํากันแทบตายไม่เอ็ดได้เรื่องอะไรเลิกดีกว่าไม่ทําดีกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในการใช้ความเพียรพยายามเพื่อเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้เราสังเกตว่าเราพูดถึงการเดินทางก็ได้เช่นสมมุติว่าเรานัดหมายกับเพื่อนฝูงจะไปในสถานที่ใดที่หนึ่งแต่พอดีสถานที่เหล่านั้ น, นเขาอยู่ใกล้บ้านเรา ผลตะออกพ้องกันเราก็ถึงก่อนเป็นธรรมดาหรือว่าต้องการจะตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นฐานมีฐานะทางเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีมันก็อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเชนว่าบางคนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีอยู่แล้วตัวเองก็เหมือนเหมือนมังกรที่ติดปีกน้อยเดียวมันก็ไปได้แล้ว แต่บางคนฐานาทางเศรษฐกิจยังไม่ดีมันก็ต้องใช้ช่วงระยะเวลายาวขึ้นแต่แน่นอนถ้าหากว่าเขามีปัญญาเขามีเหตุผลในการคิดในการพินิษฐ์ไปเรณาไอ้รอบครอบรอบด้านเนี่ยมันอาจจะลดระยะเวลาลงมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในสมัยปัจจุบันคือคนเราอาจจะเก่งในการคำนวณหุ้นในการศึกษาติดตามเรื่องกระแสของหุ้นต่างๆเนี่ย มันอาจจะได้จังหวะขึ้นมาช่วงใดช่วงหนึ่งคือรวยปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็ได้ะในวงการปัจจุบันมันเป็นการค้าขายระดับโลกในเรื่องบางเรื่องแต่นั้นก็หมายความว่าปัญญาที่สะสมมาภายในใจเขาประสบการณ์ในด้านต่างๆที่คนหล่นั้นก็สะสมมาก็ต้องมีมากพอพอต่อการใช้ไปเพื่อไอกิจกรรมบางอย่างซึ่งมันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็ ไ้ปลูกโยงอยู่กับบุคคลอื่นอีกเป็นนั้นมากมาคงอยู่ในหลักการเดิมก็คือว่าเขาก็รักษาระดับความพอใจเอาไว้แล้วก็เพิ่มความพอใจรุ่นแรงให้ใหเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นคือการเจริญสมมติว่าทานศีลภาวนามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะต้องได้สัมผัสตรมรมยะของพระธรรมคุณบทว่าโอปนายิโกคือน้อมนา ม, มาประพฤติปฏิบัติ แต่ถ้าไม่ได้สัมผัสผลแล้วก็ยากที่จะก้าวรุดไปข้างหน้าถ้าได้สัมผัสผลความสงบระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาความสว่างระดับปัญญาที่หลวงพ่อพุทธทาตันใช้คำว่าสะอาดสงบสว่างหรือว่าสว่างสะอาดสงบกระดับหมายความว่าถ้าพูดถึงสะอาดสงบสว่างก็เรียงตามระดับศีลสมาธิปัญญา แต่เราสัมผัสในใจเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเข้ามาอา ธ, าธิบายชี้แจงอะไรให้เราเราก็จะมีความพยามากยิ่งขึ้นชั้นทะมันจะเพิ่มขึ้นวิริยะเองก็จะเพิ่มขึ้นจิตตะคือการมุ่ง ม, มั่นก็จะเพิ่มขึ้นวิบังสาคือการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องก็จะมีความเข้มข้นสูงมากยิ่งขึ้น มันก็แสดงให้เห็นถึงหลักการปฏิบัติที่ว่าคนบางคนมันออกเดินทางด้วยกันแหละแต่ทำไมประสบความสาเร็จไม่ได้เท่ากันเพราะว่ามันถึงจุดหนึ่งมันคลายความเพียรคลายความพอใจคื้คลายสักอย่างก็เสร็จแล้วนะฮะในอิธิบาททั้งสี่ข้อลองสังเกตว่าถ้าเราคลายความพอใจอย่างอื่นมันก็ลดรวบลงไปด้วยทั้งสี่ข้อจึงเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกัน ก็ไดข้อหนึ่งเกิดลดก็แสดงข้ออื่นก็ลดด้วยก็ไใดข้อหนึ่งเกิดเพิ่มขึ้นมาก็อย่างอื่นก็เพิ่มตามไปด้วยอีกประการหนึ่งมีความข้อความในคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าไม่ทอดทุระในหน้าที่ของตนตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะพบว่าใช้ในเรื่องต่างๆ ชาวนาไขาน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้ช่างทำไอ้คนชาวนาก็ทำนากันไปทำสวนก็ทำสวนกันไปเนี่ยเพียงแต่ว่าอะไรคือธุระอะไรคือหน้าที่ก็ภาระธุระที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไปจนกว่าจะประสบความสาเร็จ ก็ไม่ทอดทิ้งธุระเหล่านั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าแนวนี้ข้อนี้จะกระจายมากกว่าคือกระจายไปนในงานทุกๆเรื่องทุกเรื่องที่เราเรียนเราอ่านเราทำงานเราอะไรก็ตามมีข้อแม่นะมีข้อแม้ว่าต้องเรื่องสุดจริตแต่ถ้าถามว่าทุจริตละ่ะทุจริตก็เรียกความเพียนได้เหมือนกันแต่เรียกว่าไม่จะวาัยาะ ม, มากเกิด ค, ความเพียนในทางที่ผิด เพราะพวกนี้มันก็อยู่สองทางนะทางถูกกับทางผิดแต่ในที่นี้จะเน้นไปที่ทางถูกเป็นประ ก, การสำคัญก็ต่อไปท่านก็บอกว่าธุระสมปักกาโคมีความเพียรประคองซึ่งลักษณะเราเนี่ยเราทำอะไรก็ตามจะรักษาระดับของความเพียเรเอาไว้ เช่นสมมุติว่าเราต้องการจะไปจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งด้วยเวลาเช่นสมมุติว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยระดับของความเพียรเนี่ยจะต้องต่อเนื่องอย่างน้อยก็สม่ำเสมอกันเช่นสมมุติว่าเดินหรือขับรถหรืออะไรก็ตามตเดินในจริงรถมันก็เร่งได้นะฮะรถถ้ารถคุณภาพดีๆมีแรงมา้าสูงๆก็อาจจะเร่งได้ แต่ว่าการเดินเนี่ยมันค่อนข้างชัดพอเหมือนกับเราเดินไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็ประคองความเพียรเอาไว้ให้สม่ำเสมอที่ท่านเล่าถึงนักประย่าคนหนึ่งของทางโยุโรปชื่อเอ็มมานูเอลคานคือท่านเดินไม่ปกติของท่านเดินจนกลายเป็นนาฬิกาเลยมาข่าวว่าคนแถบนั้นเมื่อเห็นคานเดินผ่านหน้าบ้านก็ดูนาฬิกาแล้วก็ลงตัวรู้ที นั่นคือมิลักษณะของการประคับประคองรักษาระดับความเข้มข้นของการบริอารภารกิจเหล่านั้นไว้สม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอดีเพราะ ง, งานส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วเมื่อเราไปเรื่องรัฐ มากเกินไปบางทีถึงจุดหนึ่งมันอาจจะแผ่วปลายได้เหมือนกันก็ทํานองคล้ายๆคนวิ่งแข่งมาราธอนนะคือจะวิ่งเอาเร็วเนี่มันไม่ได้ระยะทางมันไกลเกินไปแรงก็จะหมดก่อนก็วิ่งประคองรักษาระดับเอาไว้นะคนอื่นก็เพิ่มระดับสูงขึ้นเราก็เพิ่มตามหน่อยตามสมควรแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่มจนหมดแรงไม่สามารถจะวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้ ความพยายามในการไปบัดภารกิจการงานของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเรามีเป้าหมายเพื่อจะดำเนินไปสู่ผลตามที่ตนต้องการแต่วป้าหมายเหล่านั้นมันเป็นผลมันเป็นเป้าสำคัญอยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายตรงนั้นให้ได้ ตาปกติแล้วลักษณะของสังคมรูปเรื่องนะนะเรื่องอไรก็ตามมันจะเป็นยอดแหลมเป็นรูปกลวยเป็นรูปเจ ด, ดีย์เป็นรูปพีระมิดเนี่ยแล้วมันค่อนข้างจะเป็นกลวยมากกว่านะคือคนที่ประสบความสําเร็จมันก็ลดหลั่นได้เรีย ก, กันขึ้นไปแม้แต่ระดับระยาบุคคลคือถ้าเรามีตัวเลขพระยาบุคคลอยู่ ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าโสดาบันในมากที่สุดสกิตาคาก็รองลงมานาคาก็รองลงมาอรหัสต์ก็น้อยแล้วอรหัสตที่สมบูรณ์จริงๆ ร, ระดับหมาปิญญาก็ยิ่งน้อยมันก็กลายเป็นยอดแหลมของกลุยอย่างพระอรหันต์ระดับหมาปิญญาเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ห ก, ท, ท, ก ท, ท่านเป็นผู้ภิกษุณีจะสามท่านเป็นภิกษุสามท่านเท่านั้นเองแต่ระดับปปิญญาธรรมดานี่เยอะ แต่ฐานมาเยอะขนาดไหนก็ที่จริงมันก็น้อยกว่าระดับที่รองลงมาฐานสังคมมันก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าเรามองจากเศรษฐกิจเรามองจากการทหารเรามองจากการเมืองเรามองจากสังคมเรามองจากชั้นเรียนที่ประสบความสําเร็จของบุคคลภายในชาติบ้านเมืองเนี่ยมันจะมียอดแหลมอย่างงั้นหมายความขั้งปลายในยจะแหลมเช่นเราพู้จบปัญญาตรีโทเอกเราจะาน้อยเอกที่จะน้อยที่สุด เราลงมาเป็นโทรเราลงมาก็เป็นตรีแต่จริงตรีก็อย่างน้อยกว่าพวกระดับปวชปวสระดับล่างๆแล้วก็พวกปวหกเด็ก็เป็นฐานมาคือมาอยู่เป็นจํานวนมากนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้ น, นการประคับประคองรักษาความเพียรเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตนตั้งใจเอาไว้นั้นนอกจากมีความต่อเนื่องแล้วต้องรักษาระดับของความเพียรความเพียรพยายามเอาไว้ ไม่ให้ย่อหย่อนหรือว่าเรื่องรักกันเกินจุดเกินไปต้องฟังเท่าไหร่การมพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดดีขอความเจริญงอกงามไปบูตรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่โดยทั่วกันสวัสดี